พระธรรมเทศนาลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าคุณค่าของศีลและความกตัญญูวันนี้เป็นวันที่27กันยายนพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันพระแรม15้าค่ำ เดือนสิบเป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์รวยวันนี้เป็นวันสมาทานศิลของคณะสัตยาติโยมหลวงพ่อแล้วนานและไม่ได้อธิบายในศินให้แก่สัตายาติโยมลูกหลานในถิ่นท้องถิ่นของเราผู้ที่ได้ยินแต่ก่อนก็มีและผู้ไม่ยังไม่เคยได้ยินก็มีแต่วันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องศินให้แก่คณะรัตยาติโยม ลูกหลานในท้องถิ่นของพวกเราเพื่อเกิดเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้พอลูกหลานของเราเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็มีผู้ที่ได้เข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติก็จะรู้ว่าศีลธรรมคืออะไรแต่ถึงยังไงถึงจะรู้ก็รู้แบบผิวเผินรู้แบบแผนที่ รู้ในแผนที่แต่ไม่ได้รู้ในภาคปฏิบัติเพราะนั้นหลวงพ่อจะเน้นในภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพรองค์บัญญัติไว้ศีลและวินยัยคืออันเดียวกันกฎหมายคืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าใช้สับคนและอยากกันเท่านั้นเองแต่สรุปแล้วก็คือ เพื่อต้องการให้พวกเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นประเทศชาติเป็นชุมชนเรียกว่าเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าชาติชั้นวรรณะไหนอยู่ในโลกมุมไหนถ้าหากว่ามีศีลธรรมมีกฎกติกาการอยู่ด้วยกันก็จะเป็นไปได้วยความผาสุกราพื้นแต่ถ้าว่าทุกคนไม่มีกฎไม่มีระเบียบ ทำตามอำเภอใจทำตามมัตถาใจทำอยากที่ตัวเองอยากทำโดยเอโดยมากตัวเองอยากทำนั้นโดยมากไปทางกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างราคะนั่นคืออะไรราคะก็คือความรักความใคร่ไม่รู้จักที่สูงไม่รู้จักที่จําไม่จกไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเอ่อทออกไปไม่รู้ว่าสามีภรรยาลูกหลานของใคร อ, อันนี้ไปทางราคะ ไปทางโทสะก็โกรธโปโหโกรธาอารมณ์ชุนเฉียวนี่จะเอารัดเอาเปรียบกัดไปหมดด่าไปหมดอารวาสไปหมดอันนี้คือกิเลส ต, ตัวโทสะตัวโลภะ ค, ค, คือความโลภมีจฉาอยากไปรู้จักสิ่งควรไม่ควรไม่ควรไม่ใช่สิ่งควรที่จะได้หรือไม่สิ่งที่ไม่ได้อันนี้ก็โลภไปหมดและเขาหลง หลงว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่างหากเ่ยอยากจะอยู่นานเท่านานแต่ที่แท้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานแต่มันหลงอยู่ในใจนี่แหละกิเลสทั้งกิเลสราคะโทสะโมหะโลภะเนี่ยมันอยู่ในจิตใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งทิ้งที่หยับหยาบที่จะครอบครองครอบคุมกิเลสเหล่านี้ได้คืออะไรก็คือศีลนะบังคับให้กิเลสเหล่านั้นอยู่ในกรอบ ถ้าจะไปทางราคะสุดตรงก็มีสินอภมมิมจริยาถ้าโทษสะออกไปก็มีสินอย่าเบียดเบียนซึ่งกันละกันเดียวนี้เป็นตน้นเพราะนั้นสินธรรมเป็นสินคุ้มครองโลกให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้ามีสินถ้าทุกคนตามทำตามอำเภอใจทำตามอัตถัยใจทำตามอยากที่ตัวเองอยากทำ โดยมากจะเดือดร้อนวุ่นวายในทุกหัวและแห่งทั้าคนขาดศีลธรรมมากๆเนะเพราะนั้นวันนี้พวกเรากรมหนึ่งหรือว่าในวัดของเราช่วนหนึ่งที่จะต้องสมาทานศีลอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำหลวงพ่อไม่ใช่ให้ศีล น, นะถ้าหลวงพ่อให้ศีลทุกคนพวกเรามาเป็นร้อยร้อยสองร้อยถ้าหลวงพ่อให้ศีลคนละห้าละห้า พวกเราคิดดูกันแล้วกันว่าสินหลวงพ่อจะเหลือกี่ตัวกี่ข้อเพราะนั้นหวงพ่อเป็นผู้พานำสมาทานสินเหมือนกับพวกหลวงพ่อพาพวกเราท่านทั้งหลายไปเบิกเงินธนาคารอย่างนั้นเงินอยู่ในธนาคารเอาหลวงพ่อพาไปเบิกอย่างนั้นแหละไม่ใช่เงินของหลวงพ่อจากนั้นก่อนพวกท่านทั้งหลายเดินตามหลวงพ่อไปแล้วก็ไปเบิก เงินจากธนาคารแต่พวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีเงินอยู่ในกระเป๋านี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเป็นผู้พานําสมาทานศินเมื่อพวกท่านทั้งทั้งหลายรักษาศินแล้วศินจะคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะร่มเย็นเป็นถุกทุ่นหน้ากันเพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ขมโมยกันเคารพสิทธิสามีภรรยาของกันไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงกันไม่ดื่มโุรา คันชา ย, ยาวฝินขาดสติแล้วจะไม่ทำความชั่วถ้าคนขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างนี่แหละหลวงพ่อเป็นผู้พาไปเบิกเงินจากธนาคารหรือผู้เป็นผู้พานำสมาทานสินเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาสมาทานสินในวันนี้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจให้จริงจังและจริงใจพวกเราเห็นคุณค่าของศินพวกเราจริงจั เป็นผู้สมระานสินถ้าว่ายังไม่เห็นคุณค่ายังเห็นคุณค่าไปทางอื่นอยู่ยังมองสินของพระพุทธเจ้าเป็นของอย่างอื่นอยู่พวกเราก็ยังไม่เห็นคุณค่าในเมื่อไม่เห็นคุณค่าแต่ว่าเราไม่ไม่เห็นไม่ไม่อยากจะรักษาสินแต่เราต้องการผลของสิน อยากจะให้คนอื่นปฏิบัติกับตนตัวของเราด้วยศีลธรรมแต่ตัวเองไม่อยากจะรักษาศีลเหมือนกับนักโทษขโม ย, โ, ยโจรทั้งหลายแต่ขณะที่ตัวเองทำความชั่วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอขึ้นถึงศาลแล้วนะขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมคุ้มครองนะขอขอขอทำขอศีลธรรมหรือขอความเป็นธรรมคุ้มครอง แต่ขณะที่ตัวเองทํานั้นไม่ได้คิดว่าเรื่องทำนั้นคืออะไรมีแต่ความอยากโลภโกรธหลงนี้ก็เหมือนกันในขณะที่เราก็ไม่ต้องการรักษาศิลแต่ว่าเราต้องการผลของศินอยากจะให้มีผลคุ้มครองเราจะคุ้มครองได้อย่างไรถ้าตัวเองก็ยังไม่รักษาศินและจะให้ศินคุ้มครองเราได้ได้ไหมตัวเองไปทําให้คนอื่นเขา แต่คนอื่นแต่อยากจะให้คนอื่นมีสินนะอย่างนี้เี่เพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่านที่รู้ทำคำสอนของพระพุทธเจา้าได้ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้เป็นผู้มีสินในตัวเองเอ้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีสินจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ ข, มขโมยของคนอื่นจะไม่ประพฤติร่วงเกินสามีภรรยาลูกหลาน ของคนอื่นแล้วก็ไม่โกหกคนอื่นไม่ดื่มสุรากัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายา마าที่ของบุญเมาเมื่อดื่มเสพเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเหตุเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านรู้คุณค่าของสิทหลวงพ่อเองอยากจะ ก, กล่าว ย้ำว่าที่พวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนข้อพัรษาได้ทำอะไรพูดอะไรลงไปบ้างได้ตั้งสัจจะอะไรขาดเหลือขาดตกอะไรหล่นไปไหมหรือว่ายังเต็มบริบูลอยู่แต่ถ้าว่ายังมันขาดตกบกพร่องก็ควรจะทำให้บริบูลขึ้นสองวันพลาดคงจะตีตื่นขึ้นมาได้คือทำย้อนหลัง สัจจะที่เราตั้งไว้นะย้อนหลังอย่างเราไหว้พระทุกเช้ามันขาดกี่วันเราจะทํานั่งทําวัดให้มันครบตามที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้อันนี้ก็ไม่น่าจะผิด ก, กติกาถูกต้องเพราะเหตุไรเพราะยาวในช่วงนั้นเราไม่มีเวลาแต่บัดนี้เรารั ก, รกษาสัจจะจุดนั้นตนนั้นไว้เหล่านี้เป็นตนนะ้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง แต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านอยู่นักสถานที่ใดก็ให้ประกอบคุณงามความดีใ น, ในจิตในใจอย่าไปควายเขวในโลกสมัยปัจจุบันนี้เป็นโลกไฮเทคไม่รู้สื่อทางหนมันดีสารต่างๆ่ไม่รู้ว่านังซื้อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เหล่านี้แหละบอกกล่าวแต่พวกเราบางคนก็จิตใจไม่มั่นคงก็ควายเขวบางทีก็เอื่มละอา ต่อพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็มีแต่ถึงยังไงพวกเราเป็นพี่น้องประชาชนในหุบเขาหุบเขาอำเภอนายูงน้ำสมสุวรรณคูหาบ้านผือบางส่วนสังคมปากชมที่ได้ยินสถานีวิทยุหลวงพ่ออินประกาศอยู่ทุกวี่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยมากจะเป็นเสียงสเสียงองค์หลวงตาเป็นหลัก และจากนั้นก็เป็นเสียงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านร่วงรับดับขันไปแล้วเขาเอาออกมาสถานีแม่คือสถานีวัดป่าบ้านตาดของหลวงพ่อเองก็รับสถานีแม่มาถ่ายทอดไม่ได้เอาเสียงอย่างอื่นเข้ามาแทรกแต่นานอย่างวันนี้เอออันนี้หลวงพ่อจะได้ประกาศว่าวัดป่านาะคำน้อยของเรามีกฎมีกติกามีอะไรบ้าง ที่เกิดขึ้นหลวงพ่อเคยประกาศเป็นครั้งขาวนานๆจะได้ประกาศสรุปแล้วก็คือการประกาศแต่ละครั้งนั่นก็คือหลวงพ่อนั่งอยู่ที่ศาลาแต่สถานีวิทยุก็ห่างไกลแต่เป็นการทดสอบทดลองดูอีกว่าสายของเราเนี่ยปวกกิจปวกกัดกระลอกกัดกระลอกกระลอกกระแตกัดหรือเปล่าหนูกัดหรือเปล่าฮะจะต้องออกดูเป็นครั้งขราวเพื่อให้พี่น้องประชาชน ในถิ่นของเราได้รับรู้รับทราบแต่ถึงยังไงหลวงพ่ออยากจะเน้นพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเวลาการข่ามกลางคืนตั้งแต่ทุ่มถึงตีห้านหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวที่ท่านให้ธรรมะแก่พวกเราให้ยึดแนวแถวของหลวงตาเป็นหลักอย่าไปยึดแนวแถวคงอื่นที่คงอื่นพูดก็ไม่ว่ากัน เราก็ฟังฟังไปแต่ว่าจะนํามาประพฤติปฏิบัติจริงๆหลวงพ่ออยากจะให้แนวแถวของหลวงตาเพราะหลวงตาเนี่ยอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพระธาตุของแต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์นั้นคืออะไรก็คือพระอรหันต์อย่างหลวงปู่มั่นพวกเราก็ไปเห็นหลวงปู่เสาหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่เป็นสายหลวงปู่มั่น ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปอธิธฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เคารพกราบไหว้สักการะบูชาอันนี้คือกระดูกของพระอรหันต์ที่ท่านผ่านไปแล้วแล้วก็ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติมาอย่างไรท่านจึงได้กลายกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเนี่ย อันนี้พวกเราทันทั้งหลายให้มั่นใจว่าแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาดําเดินมานี่ยแะถูกต้องแล้วหลักพิสูจน์ก็คืออัธิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพวกเราเห็นประจักษ์ตาแล้วพวกเราจะเฉเลฉชไ ล, ลไปทางอื่นอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องอันนี้ก็สุดแท้แต่กรรมของแต่ละคนทั้งที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าสอนธรรมะยังทะเลทลายไปเป็นลูกศิษย์เทวทัตก็มีมากต่อมากอันนี้มันก็กรรมของใครของเราอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองขอย้ํากล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาแนวธรรมะปฏิบัติของครูบาอาจารย์ให้มั่นใจว่าแนวแถวของพระแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่เป็นแนวทางที่ถูกต้องหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไร ตรงตาครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรอันนี้ให้พวกเราศึกษาหลึกษาและลงมือประพฤติปฏิบัติพวกเราจะเห็นจะเจอแต่ความร่มเย็นผ า, าสุขในด้านจิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราได้ยินสื่อต่างๆเรื่องต่างๆขึ้นมาแล้วก็อ่อนอกก่อนใจจนไม่นับถือพระอันนั้นแปลว่าเราเป็นผู้ท้อแท้อ่อนแอเป็นเราเป็นผู้ไม่มีเหตุผลเราไม่มั่นคง เป็นไม้ปักที่ี่เลนไงใครเป่ายัางไงก็เสไปบางทีเขาบอกว่าเอาไปบูชาอาหมูหมากาไก่สองหัวสามขาอะไรอย่างเนี้ก็ไปทํากับเขาเราทําแล้วเราได้อะไรมีแตจ่จะได้หวยได้เบอร์ฮมันเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าทําอย่างนั้นอันนี้เรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคล อย่างองค์ลุงปู่ขาวเนะี่ยท่านบอกว่าแต่หลวงพ่อไม่ได้ยินต่อปากท่านนะแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ยินท่านว่าเราเราเองก็ได้เกิดเกิดในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าพระโคตมะเนี่ยในข้งพุทธการแต่เรากลับไปนับถือเลื่อมใสเป็นลูกศิษย์พระโกกาลิกะนะท่านว่านะั้นพระโกกาลิกะคือลูกศิษย์พระเทวทัตนะี่ยเราก็ไปตกนรกกับเขาเหมือนกันแต่ตกไปนานเพราะเราอยู่ปลายแถวนะ แต่ศีลทำให้เราเสียเวลาแต่มาพบในชาตินี้เราตั้งต้นใหม่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธาตุของท่านก็เป็นชาติเป็นชาติจุดท้ายเหมือนกันนี่แหละอธิธาตุของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุเหมือนกันหลวงปู่ขาวนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเหมือนกันแต่ว่าให้เราใช้สติใช้ปัญญาใช้การเปรียบเทียบ ว่าครูบายจาร์ที่ท่านพูดอย่างนี้เป็นสิ่งเป็นธรรมไหมถูกต้องไหมตามกฎกติกาตามหลักเหตุผลขนาดครั้งพุทธการอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นศาสดาแท้ๆองค์อื่นมาพูดก็ยังมีบริษัทบริวารอย่างพระเทวทัตอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแทน แต่ขนาดนั้นลูกจิตพระเทวทัตก็ยังเป็นลูกจิตพระเทวทัตการเปลี่ยดเปลี่ยนและการฆ่าคนอื่นนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าการฆ่าคนอื่นการเปลียดเปลี่ยนคนอื่นมันเป็นยังไงขาดเมตมตาเมตตาธรรมอย่างแรงไม่มีทำในจิตในใจเลยก็ยังไม่เป็นลูกน้องเขาอยู่ถ้าไม่ว่ากรรมเราจะว่าอะไรกรรมดีปิดตาไอ้กรรมชั่วมันปิดตาปิดใจของคนคนนั้นก็เลยถล่มไปทําความชั่ว ก็ทำให้นรกก็ไม่เต็มอีกเหมือนกันนะนรกก็ไม่เต็มสวรรค์ก็ไม่เต็มผมมโลกก็ไม่เต็มความชั่วเนี่ยทำไปเถอะนรกก็เปิดรับอยู่เสมอสวรรค์ก็เช่นเดียวกันทําไปเถอะสวรรค์ก็เปิดรับคนดีอยู่เสมอมีแต่คุกเมืองไทยเท่านั้นแหละล้นคุกถ้าทาความชั่วมากแต่สวรรค์ชั้นฟ้านรก เวจีแล้วเปิดรับพวกเราอยู่เสมอเพราะนั้นพวกเราอยากจะไปทางไหนอยากจะไปทางดีพวกเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดรอบคอบค้นคว้าศึกษาฟังและจากนั้นก็ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างพวกเราทุกวันได้ยินทุกวันนี้กาลังคึก โคมคามขึ้นมาว่าจะไปกราบพระพุทธโลปอย่างเนี้ยแต่ตาตามไม่จริงท่านก็มองไปในแง่หนึ่งแต่ตามไม่จริงถ้ามองในแง่เหตุแง่ผลแล้วพระพุทธโลกก็คือตัวแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ประกาศพระธรรมคําสอนเมื่อท่านประกาศออกไปแล้ว พวกเราเคารพนับถือเลื่อมใสเอ้พระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นรูปลักษณะอย่างไรประเทศพมา่าเขากรทําอีกรูปแบบหนึง่งคล้ายคล้ายกันประเทศจีนเขาก็ทําพระพุทธรูปอีกอย่างหนึง่งญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเี่อินเดียเนปาลประเทศไทยประเทศพมา่าประเทศลาวเวียดนามล้วนแล้วจะมีพระพุทธรูปทั้งนั้น แต่จะให้เหมือนกันไหมไม่เหมือนเอาพระพุทธรูปทําไมไม่เหมือนกันสรุปแล้วก็คือใจของพุทธบริษัทเรารักเคารพนับถือว่าอันไหนงามที่สุดดีที่สุดถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดแล้วก็ทําขึ้นมาพอทําขึ้นมาแล้วก็เราก็กราบกราบพระพุทธรูปคือนี่คือตัวแทนพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบทองเหลืองเราไม่ได้กราบอิดกราบหินกราบปูนกราบทรายเราไม่ได้กราบวัตถุ เรากราบพระคุณของพระพุทธเจ้าให้ที่ดวเร า, ากราบพระคุณของพระพุทธเจ้าไพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันพ่อแม่ของเราให้กำเนิดเราเกิดมาตั้งแต่ศรีรษะจนจดเท้านี่ไปตัวดูสิว่เอ็นเอ NA อะไรเอเลของพวกเราในร่างกายกับพ่อแม่อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคืออันเดียวกัน ที่เชวของเรากับพ่อกับแม่ไปตรวจดูคือสรุปแล้วก็คือพ่อแม่ให้ร่างกายของเราทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจดจนเท้านี่ก็คือตัวของเราได้ในบุญกมาจากพ่อแม่ในเมื่อพ่อแม่ลงรับดับขันไปตายไปเรากาบกระดูกแข้งของท่านเราไม่ได้ก่าบกระดูกแข้งของท่านนะเรากา่าบพระคุณพระคุณที่ท่านให้มา ออตั้งแต่หัวจุดเท้าท่านเลี้ยงดูเรามามีเป็นพระคุณอย่างยิ่งถ้าท่านทิ้งเราสัเ อ, อเราก็จะต้องตายในยุคนั้นสมัยนะั้นแต่สมัยเป็นเด็กนีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนออกมาเป็นพระธรรมที่ลึกซึ้งเป็นพระธรรมนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกในวัฏฏสงสารถึงแดนพระนิพพานเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงการาบพระพุทธเจ้า แล้ก็กาพกคุณของพ่อของแม่ที่ได้เลี้ยงดูเรามาให้ความรู้ความฉลาดสอนแต่เด็กแต่เล็กตั้งแต่เราแบเบาจนถึงเรารู้สเสียงสาภาวะท่านก่อนสอนให้รู้จักเรียกผี่ป่าน้าอาแล้วกัการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้สิ่งของต่างๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กเราสอนอย่างไร เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากอยากจะให้ลูกของเราเป็นคนดีให้มีความรู้ความฉลาดรอบคอบเอาตัวรอดได้นี่พ่อแม่ของเราทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเรามาถึงจุดนี้แล้วเราจะทดแทนอย่างไรเราก็ต้องระลึกถึงพระคุณกราบพระคุณของท่านที่ท่านมีพระคุณที่ให้พระคุณกับเราในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเมื่อเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อ ทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของลกูกปฏิบัติต่อปิดามารดาต่อครูบาอาจารย์เถิดอย่างต่อครูบาอาจารย์คือท่านแนะนำสั่งสอนเมื่อท่านให้เมื่อท่านเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาเห็นครูบาอาจารย์ ลุกเคลนยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพอันนี้คือสิทธิ์ที่จะเข้าไปที่ท่านประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เราเราก็ต้องแสดงความกระตันยูกตเวทิตาถ้าหาว่าพวกเราเพ่อแม่ก็อยู่กับเราเนี่แหละคำธรรมสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราเนี่แหละเราจะไปนับถือทําไม เมื่อท่านให้แล้วพ่อแม่ท่านโห่อีกตังหาท่านจึงให้เราฮเราจะคิดอย่างนั้นเหรอถ้าคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราเป็นคนอกตัญอยู่ไม่ใช่คนกระตันอยู่กะตะเวทิตาเราเป็นคนอกตัญอยู่เป็นผู้ไม่รู้จักบุญคุณของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ของผู้มีพระคุณถ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยถ้านั่งอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็คงจะให้ โดยออกไปอยู่นอกวัดอย่าเข้ามาอีกนะหลวงพ่อก็คงจะพูดอย่างนั้นพ่อหลวงพ่อเองเป็นผู้กตันอยู่กตเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อผู้มีอุปการคุณทั้งหลายผู้มีอุปการคุณทั้งหลายทําให้กับให้กับเราเราก็ต้องแสดงความกระตันอยู่กตเวทิตาในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตร พระราตพามเป็นพรามณ์ตักบาตรเพียงทัพพีเดียวให้ภาษาริบุตรได้ฉันภาษาริบุตรยังล้ำลึกถึงพระคุณพระคุณของพระราตพามนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านให้ล้ำลึกถึงผู้มีอุปการคุณผู้มีอุปการอุปการคุณใครทําคุณให้กับเราเราต้องล้ำลึกถึงพระคุณของเขาอย่าไปดูถูกเหยียดหยามอย่าไปนเนรคุณคนอื่นเขา แพอที่จะช่วยเหลืออะไรได้เราก็ช่วยเหลือตามที่กําลังศรัทธากาลังของเรามีที่เราจะช่วยเขาได้เว้นเสียจะเหลือวิสัยเราจึงจะไม่ทํานี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยึดมั่นที่พระพุทธองค์ท่านสอนว่าอย่างไรความกตัญญูกะตะเวทิตาเนี่ยคืออะไรถ้าว่าพวกเรา ไม่เคารพ บ, บิดามารดาเนรคุณพ่อแม่ของตนเองแล้วเป็นยังไงพระศาสนาจะเป็นยังไงชีวิตของทั้งชีวิตของเราอะไรคือหลักที่ยึดมั่นทางด้านจิตใจไม่มีน ะ, เ, ะเพราะนั้นยึดทางยึดทางด้านจิตใจก็คือพุทธทางธรรมังสังขังชรานังคัจฉามิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอิมินาส ก, กาเลนะต่างพุทธทางอภิปูชยามะ เล่ากล่าวพระพุทธเจ้าอิมินาขอกาบสักการะนี่ยอิมินาสักการะนะต่างพุทธทางอภิปูคือบูชาพระพุทธเจ้าน่ะแต่ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปนมนานแล้วแต่เราทำไมา ย, ยังพูดก็เราล้ำลึกถึงพระคุณพระคุณของท่านที่ท่านให้กับเรามันอยู่ที่ใจของเราเนี่แหละเรียกว่าให้ใครมาแล้วก็เออคนนั้นมาให้มา เราจะไปนับถือทำไมคนที่ให้มามันอยู่กับเราแล้วเอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็คิดสั้นเกินไปเหมือนกลิงได้กล้วยอย่างนั้นอ่ะพอได้มาแล้วจะกัดกระทั่งคนที่ให้เอเผลอๆกับพวกเราจะทํายังไงได้เราโง่จะไม่เอาเอากล้วยให้ลิงไงเผลอๆนะมึงจะมากินกับกูอีกนะอ่างกว่าอย่างนั้นทนายทินนี่กูให้มึงแล้วมึงจะมากัดกูอีกเหรอนะนี่แหละอันนี้กนลักษณะ อย่างนั้นเหมือนกันขอขอให้พวกเราทุกๆกท่านพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษาให้มองมองให้กว้างกว้างมองให้รอบด้านเนี่ยที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมานั้นถูกต้องแล้วให้พวกเราดำเนินต่อไปชีวิตของพวกเราจากนี้ไปไม่มั่นใจเหมือนกันนะจะอยู่กี่เดือนกี่ปีอย่างวงพ่อเนี่ยปีนี้67ดแล้วนะ คณะสัตย า, าญาติโยมลูกหลานไม่รู้จะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่เพราะนั้นหลวงพ่อมีแนวความคิดแนะนําสั่งสอนเป็นแนวความคิด เ, ออเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกต่อหลานก็พยายามบอกกล่าวให้ฟังแล้วก็ให้ลูกหลานนําไปไข่ครวนไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมานี้แต่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้พวกลูกหลานเชื่อทีเดียวนะหลวงพ่ออินพูดอะไรเชื่อทั้งหมดไม่ใช่ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะเป็นควายของหลวงพ่ออินเหมือนกันจูงไปไหนๆก็ไปจูงไปด้วยแต่หลวงพอ่อพูดให้ฟังแล้วให้พวกท่านทั้งหลายกันกรองไตรตรองให้ทีท่วนจะก่อนจะเชื่อยังค่อยเชื่อเพราะพุทธศาสนาท่ทานไม่ไม่ใช่ว่าสอนอะไรบอกอะไรให้เชื่อทั้งหมดไม่ใช่ถ้าเชื่อทั้งหมดแสดงว่าเราโง่เพราะพระพเจ้าทนวดดูก่อนสารบุตร ที่เราตถาคตที่บอกตรัสไปนี่บอกไปเนี่ยท่านเชื่อไหมภาษาลิบทูญยังยังพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติยังไม่ได้นำไปกันกรองไตรตองด้วยเหตุผลข้าพระองค์ยังไม่เชื่อก่อนจน ก, กว่าข้าพระองค์จะนาไปปฏิบัติได้ผลแล้วข้าพระองค์จะมากราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าค่าเนี่ยขนาดภาษาริบตร ท, ท่านก็รู้ ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรพระสาริบุตรท่านก็รู้เคารพนับถือสุดใจแต่นี่เป็นแนวทาง เ, าเป็นแนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาสุดท้ายภายหลังได้ยินเสียงอะไรมาก็ตามอย่าไปเชื่อทีเดียวอย่าไปปฏิเสธทีเดียวต้องกันกลองไตรกรองเหตุและผลให้ถีถ้วนซะก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็สุดแท้แต่ถ้าพวกเร า, เามีบาปมีกรรมมีกิเลสในหัวใจมากๆ มิจฉาทิฏฐิขึ้นมาดันขึ้นมาปกป้องเราอาจฉริลําปิดหลังต่อคุณงามความดีหันหน้าต่อบาปอากุศลสิ่งที่ช่วยชาติเสียหายเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างในครั้งพุทธกากลกรรมกรรมคือการกระทําำทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนอัดสอนธรรมสอนศีลสอนธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนทุกมุขทุกเหล่า ตัดกิเลสราคาโทสะโมหะตัวเองถล่มไปเป็นหมู่เทวทัตมีแต่จะเบียดเปียนมีแต่จะฆ่ามีแต่จะเห็นแก่ปากแก่ท้องเพราะเห็นพระเทวทัตมีลาภพระเจ้าเผ่นดินพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นผู้ให้การสนับสนุนในยุคนั้นเป็นผู้มีเจเละก็ะลาบก็เห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องคําว่าทำเนี่ยปิดหูปิดตาไปหมดเอก็เลยถล่มไปทางนู้นผลที่สุดนู่นพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบทีนี่ พระเจ้าสาตุที่ให้การสนับสนุนเกิด น, นอนหลับไปกับหวาดผวาไฟนรกแร็ปแล็ปอยู่ไฟนรกแร็ปแผ่นดินจะแยกตลอดเวลาพระองค์หาความสงบสุขทางด้านจิตใจไม่ได้จนได้มากราบพระพุทธเจ้าขอโทษขออภัยจึงได้นอนหลับผาสุขในพระไตรปิฎกท่านพูดอย่างนั้น เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก่อนจะทําก่อนจะนับถืออะไรก่อนจะเชื่อฟังอะไรไม่ใช่ว่าเห็นครูบายจานมาแล้วก็พูดฉะฉาน เ, เป็นที่เข้าใจจากนั้นก็ค้อยตามไปไม่ได้นะพร้อมที่จะไปสู่นรกนะแต่การนรกก็ไม่เต็มอย่างที่ว่านะหลวงพ่อว่านะก็ขอให้พวกเราท่านเราท่านทั้งหลายในมาพบภพุทธศาตนาแล้วไม่อยากจะให้เสียเวลาอยากจะให้เดินตามแนวแถวของ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่านนี้ก็ขอเตือนยำ้ำแก่พวกเราท่านทั้งหลายคือการนับถือและก็พร้อมกันพี่น้องประชาชนเขตอำเภอนายูงน้ำโสมหลวงพ่ออดคิดไม่ได้เหมือนกันทั้งยางพอลงุงยางพาลาที่เรากรีดล้วนแล้วจะเป็นคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลแต่พร้อมกันก็อยากจะให้พวกเราใช้เงินให้เกิดประโยชน์ได้มาแล้วก็ให รู้จักเก็บให้รู้จักรักษาให้เก็บเอาไว้เออมันขึ้นมันขึ้นได้นะมันลงมันลงได้เหมือนกับน้ําโขงนะเดี๋ยวนี้มันเต็มฝั่งแต่ตกตกหน้าแล้งเลยมิัึงแต่โขดหินนะจะเดินข้ามก็ยังเกือบได้เพราะเหตุไรเพราะมันพองนี้ก็เหมือนกันเราไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นตลอดนะราคายางนะอบางทีมันอาจจะมีส่วนหนึ่งเข้ามาหรือว่ายางของเราอาจจะเกิดโรคภยัยไข้ เกิดโรคขึ้นมาเ่ยทําให้ต้นยางตายอย่างนี้กรีดไม่ออกอนีน้มันเป็นไปได้ทั้งหมดในขณะที่มันพอเป็นไปได้อยู่พวกเราก็พยายามกรีดเก็บเงินเอาไว้เพื่อเป็นแนวเพื่อประทังการการเป็นอยู่ของพวกเราสรุปแล้วก็คือพวกเราเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครที่จะรับผิดชอบชีวิตของเรายิ่งกว่าพวกเรา ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบครอบครัวของเรายิ่งกว่าคนในครอบครัวของเราแอบไม่ใช่ว่าได้มือซ้ายสบัสดมือขวาได้มาแล้วก็เห็นว่ามันได้ง่ายโยนทิ้งโยนทิ้งโยนใช้โยนจ่ายผลที่สุดมันหมดคือมาแล้วกันนะจนอีกอย่างเก่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะและอีกอย่างหนึ่งการทําการทํางานกรีดยางก็รู้อยู่แล้วว่าก็กรีดกลางคืนนะแต่บางคนก็ ไปกินยาบ้ายามาเข้าไปเสริมเข้าไปอันนั้นทำอย่างนั้นเสียหายนะลูกหลานนะได้เต่าเสียหมาหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเห็นได้เต่าเสียหมาอะไรก็คือได้เงินเพียงนิดหน่อยแต่เสียตัวเองตัวเองเป็นคนติดยาบ้ายา마แาท้เลยหมดสภาพหมดความนับถือหมดความเลื่อมใสหมดความเป็นสง่าราศีในชุมชนสังคม อันนี้ก็ขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกคู่ทุกค น, กคนอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระหลวงปู่หลวงตาอยู่ในเขตอำเภอนามโสมนายยูงทุวันนักอหาเป็นเวลานมนานมีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อก็บอกกล่าวตักเตือนเพื่อให้พี่น้องลูกหลานเป็นคนดีให้เป็นคนร่ํารวยให้มีศักดิ์ศรีในชุมชนของพวกเราหลวงพ่อเองไม่อยากจะเห็นความทุกข์ยากลําบากของพี่น้องประชาชน ถ้าพี่น้องประชาชนร่ํารวยขึ้นมาหลวงพ่อกรวยอีกเหมือนกันนะรวยได้ฮเพราะพี่น้องทั้ง้งหลายก็ให้การสนับสนุนวัดว า, าศาสนาทุกหัวและแห่งของอำเภอนายูน้ํำสมก็ร่มเย็นผาสุกไปด้วยแต่ถ้าว่าพวกเราเอ่อมีแต่การพระองค์มีต่การพ น, นันมิตรคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ่งยาบ้าเต็มไปหมดนะเนี่ยไม่มีศีลไม่มีธรรมวัดว า, าศาสนาเกิดเดือด ร, ร้อนวุ่นวายไปกับลูกกับหลานเหมือนกันฮะ เพราะนั้นขอให้ขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับลูกกับหลานกับกณรศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าให้ช่วยกันประคับประคองให้ช่วยกันรักษาให้ตัวเองนะ่ะรักษาตัวเองให้เป็นคนมีศีลธรรมมีศีลมีธรรมท่านั่นแนหะคือรักษาหมดทุกอย่างรักษาประเทศชาติรักษาบ้านเมืองรักษาพระพุทธศาสนาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในตัวของเราถ้าเราเป็นคนดีแค่อย่างเดียวท่านนั่นแนหะ ทุกสางทุกอย่างก็จะดีไปด้วยถ้าเราทำความชั่วชา้าเสียหายในตัวของเราประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรต่างคนก็ต่างทาความชั่วนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งขอฝากไว้กับชุมชนกระพร้อมกันชีวิตของพวกเราก้าวไปข้างหน้าพวกเรานึกดูที่ว่าความสุขที่แท้จริงของเรานั้นคืออะไรมีเงินคำทรัพสมบัติมากอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าใจะใช่ ยินอิ่มมีผีมันอุรมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่อย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะวันไหนแหละจากนี้ไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะให้เอาเอาความจริงมาพูดให้กันฟัง เพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพื่อไม่ให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทถ้าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทแล้วนั่นแหละชีวิตของเราจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้หลวงพ่อเคยย้ำอยู่เสมอว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดในสิ่งที่ทําให้เกิดนั่นคืออะไรคือวิญญาณคือใจคือนามธรรมตัวนี้แหละจะไปเป็นเปรตเป็นผีเป็น ไปตกนรกหมกไหมแต่ส่วนร่างกายของเรานั้นต้องเผาไฟแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นตายเกิดมาเท่าไรตายเผาไฟทิ้งทั้งนั้นไม่เอาไปไปนวดเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างแต่เรื่องใจคือนามธรรมาตัวรู้ๆอยู่นเนี่ยทวงพ่อเนี่ยเอาความรู้ๆนั่นน่ะมาใช้สมองแล้วก็ใช้ปากพูดออกไปเนี่ยพระพุทธพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องของตัวรู้ๆนั่นน่ะ เป็นตัวนั่นแหละสำคัญเป็นการตัวการใหญ่จังหวะมโนปุพังเข้ามาธรรมาหลวงพ่อยกแล้วยกอีกมนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นใจดวงนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมได้รับได้รับเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจถ้าใจของเรามีศีลธรรมได้รับการอบรมดีแล้วร่างกายก็เป็นศีลเป็นธรรมไปด้วยการพูดก็เป็นธรรม การกระ ki, ทําก็เป็นธรรมเพราะใจเป็นธรรมถ้าใจของเราเป็นนักเลงหัวไม้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกต่างหากไม่ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จัก พ, พ, ร, พ, พระรพคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่รู้จักพระคุณของบิดามารดา เ, เป็นมิจฉาทิฏฐิ ใ, ในจิตในใจแล้วนั่นแหละทําอะไรออกไปกัมองอะไรก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดเลย เห็นผิดไปหมดนาโลกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ผมมาโลกไม่มีพระคุณทั้งหลายไม่มีเอมีแต่เรื่องปากเรื่องท้องทะนะเท่าน่ะตายแล้วก็ศูนย์จะไปทําทําไมนี่แหละอันนี้คือมิจฉาทิฏฐิในจิตใจแต่พวกเราได้ทําสมาธิตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วนั่งสมาธิจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วตนเองว่าเออกายกับใจอาศัยกันอยู่ ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเหลวงพ่อเปรียบเทียบไปฟังรถกับเหมือนคนขับรถนะคนขับรถกับรถเนะี่ยพวกเราคงได้ยินยินจนเคยชินนะเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อแยกให้เห็นชัดเจนแต่ละของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถรถเนี่ยมันไปจอดอยู่ที่ไหนเมื่อรถตายแล้วไปกดสนโหนทางไปขวางใครอยู่ก็ได้เพราะอะไรเพราะน้ามันมันหมด เ, เครื่องมันติด สายพาน์มันหลุดอะไรมีตั้งเยอะแยะรถมันจะตายแต่รถมันเสียใจมันรถไม่เสียใจเพราะเหตุไรเพราะรถมันไม่รู้สึกอะไรแต่โซโฟเฟอรเ์เจ้าของรถเนี่ยนะเฮ้ทุกใจนี่ก็เหมือนกันร่างกายมันไม่รู้จักอะไรแต่ว่าใจของเราที่เข้ามาใช้ร่างกายนี่ยนะตัวนั้นแหละตัวสําคัญในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัาญญาตธาธิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้ยินเสียงสถานีวิทยุเสียงธรรม ที่หลวงพ่อได้แนะนำในวันนี้หลวงพ่อพูดในมากลากหลายเป็นห่วงพี่น้องประชาชนสัตธาญาิโยมลูกหลานให้เป็นผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็กันครองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นก็จะได้เดินทางเดินไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิยิตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยึด พระคุณของบิดามารดาของตนเองแล้วก็เนี่ยสถานีวิทยุของหลวงตาเนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้ยึดให้ให้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาวันละหนึ่งกันกลางคืนนะทางวันเราไม่มีเวลาฟังกลางคืนวันละหนึ่งกันพวกเราจะได้รับความรู้ความฉลาดจะรู้จักแนวทางศีลและธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพวกเราจะร่วมเย็นเป็นสุขมีลัก มีหลักยึดทางด้านจิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวันก็ไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงจะเลี้ยงตีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนี่นะหาเงินคำทรัพสมบัติมากมายมหาศาลมาซื้ออาหารดีๆให้ร่างกายกินหาผ้านุ่งห่มดีๆมาให้ร่างกายนุ่ง เอายาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีๆไว้ให้ร่างกายหยุกยาเอาไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยช่างบ้านรู้หรูหรวลาหลายร้อยล้านให้ร่างกายได้อยู่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่มีร่างกายไหนที่จะหนุ่มไปข้างหน้าอีกสักวันหนึ่งร่างกายนีก็ถึงจุดจบถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ย ง, งเลี้ยงร่างกายนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตนให้เลี้ยงใจ ให้ดูใจให้ใจมีเหตุมีผลถ้าใจของเรามีเหตุมีผลใจเป็นพระอริยะบุคคลใจเป็นพระพุทธเจ้าใจเป็นพระอรหันต์ใจเป็น พ, ะ พ, นพะรนนพะอริยะบุคคลแล้วมีแต่ความสุขถ้าว่าใจของเราเป็นปุตตุชนเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิในจิตในใจแล้วถึงจะเลี้ยงร่างกายดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะนะจะหาความสงบผาสุขไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทัญาติโยมตุกตุกทานนะ วันนี้หลวงพ่อได้พูดแแนวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายแนวความคิดมากหลากหลายพอสมควรแล้วก็ขอยย้ำอีกว่ากระถินสามมกีของพวกเราวัดป่านาคำน้อยวันที่16ตุลาพุทธศักราช2554นยฉันจังหวัดเ็จแล้วก็คงจะเริ่มพิธีเป็นกระถินสามมกีขอ เชิญชวนพี่น้องลูกหลานทุกคนมาร่วมกันถา้ถามีถ้ามีิตธุรก็ไม่ว่ากันถ้าไม่มีอะไรก็เชิญร่วมกันนานทีปีหนพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันที่วัดป่านาคำน้อยของพวกเราเอาตอนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมธนาให้พร